ตอนที่65สิ้าข้าคือแม่ของเขาเรื่องราวค่อนข้างยุ่งยากด้านหนึ่งคือการตามหาลีฮาพยานปากสําคัญที่จะช่วยเปิดโปงการใส่ร้ายครอบครัวของซูมานอิมอีกด้านหนึ่งคือการจัดการเรื่องอื้อฉาวที่ชินเสี่ยวเยเว่ถูกโจวไวตรงหลอกแต่งงานแน่นอนว่าต้องจับฆาตรกรก่อนสีจะปล่อยให้พวกมันลอยนวลไม่ได้ชินเสียวเยเว่กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวในห้องประชุมของสถานีตํารวจยังไงให้ผู้ชายสารเลวอย่างโจวไวตรงนั่นฉันก็ไม่ต้องการมันแล้ว ทุกคนเห็นว่ามีส่วนถูกแต่ซูมานอินกลับไม่เห็นด้วยหลีห้าหายตัวไปหากไม่มีหลักฐานก็ยากจะเอาผิดซูเหมียวหลิงได้ซูมานอินวิเคราะห์อีกอย่างเรื่องตาหาหลีห้าพวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากสู้ไปที่กองทัพก่อนเพื่อแฉเรื่องของโจวไว้ตรงพวงความยุติธรรมคืนให้เสี่ยวเยเว่จะดีกว่าแต่ว่าไม่มีแต่แล้วเธอเองก็แต่งงานกับทหารมีกฎหมายคุ้มครองเหมือนกันซูมานอินดึงมือฉินเสี่ยวยาว ต่อให้เขาจะแกล้งตายหลอกแต่งงานหรือจะจดทะเบียนสมรสซ้อนแต่มันก็ต้องมีบทสรุปเพื่อคืนอิสระให้เธอโจวเวยหมินนั่งอยู่ข้างๆตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าโจวเวยตงยังมีชีวิตอยู่เขาก็รู้สึกโกรธนอกแทบระเบิดเขาไม่นึกเลยว่าน้องชายที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวจะทําเรื่องขาดมโนธรรมได้ถึงเพียงนี้ฉันจะไปกองทัพกับพวกเธอด้วยฉันอยากจะถามมันนักว่ามโนธรรมของโจวเวยตงถูกสุนัขกินไปหมดแล้วหรือไงแม้แต่ตอนพ่อตายยังไม่ยอมกลับมาดูดำดูดีสักนิด ซูมานอินเข้าใจความรู้สึกของโจเว่หมินแต่ถ้าคุณไปแล้วต้าฮวากับเสี่ยวสวีจะทํำยังไงไม่เป็นไรหรอกมีหลิวโปกับอวี้ไหลยอยู่หรือไม่ก็ยังมีพวกเฉียวหงยังไงก็ต้องมีทางออกเขาเสริมอีกประโยคเพราะกลัวซูมานอินจะกังวลเรื่องนี้ฉันปรึกษากับจิวหลิงแล้วซูมานอินพยักหน้าโจเว่หมินคนนี้ในที่สุดก็รู้จักปรึกษาเรื่องราวกับภรรยาเสียทีเรื่องการตามหาหลีฮาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของเฉียวเลยและเสี่ยวหวัง ส่วนเกาชังเหอไม่วางใจที่จะให้ซูมานอินไปกองทัพเพียงลำพังเขาคิดว่าตนเองคุ้นเคยกับกองทัพมากกว่าจึงอาสาขอเป็นผู้พิทักษาสา์สาวสาวกลุ่มคนนั่งรถไฟแล้วต่อรถประจำทางในที่สุดก็มาถึงกองทัพที่โจไว้ตรงประจำการอยู่ทะว่าทันทีที่ถึงหน้าประตูเขตทหารพวกเขากลับพบ ก, กับร่างที่คุ้นเคยเกาเติงจะมาทาอะไรที่นี่เกาชังเหมองเห็นน้องชายในชุดเครื่องแบบทหารมาแต่ไกล ก็ตึงเองก็ชะงักไปโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าข้างกายพี่ชายมีหญิงสาวอย่างซูม่านอินและฉินเสี่ยวเย่เว่มาด้วยเขาจึงฮิ้วกระเป๋าสัมภาระแล้ววิ่งเหยาะๆเข้ามาหาที่พวกพี่รู้ได้ยังไงว่าข้าถูกย้ายมาเป็นรองผู้บังคับกองพันที่นี่รองผู้พันก็ชังเห่อเบิกตากว้างเจ้าอยู่ในกองทัพมานานแค่ไหนกันเชื่อนตำแหน่งไวขนาดนี้เชียวก็ข้าสร้างผลงานอีกแล้วนะสิก็ตึยิ้มอย่างดีใจจนเห็นลักยิ้มจังๆสองข้างจะว่าไปต้องขอบคุณพี่สะพายด้วยนะ ฉันเหรอซูมานอินขันรับก่อนจะนึกขึ้นได้ ว, ว่าตนเองอาจจะดูวุ่วายไปหน่อยจึงรีบหน้าแดงแล้วเงียบเสียงลงก็ลินเลียนนะสินางบอกข้าว่ามีคนติดต่อขอนางขายความลับทางทหารพวกเราเลยตามรอยจนจับขบวนการสายลับได้ทั้งกลุ่มตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอชินเสี่ยวเ ย, ยว่างอย่างสนใจยุคนี้ยังมีสายลับอยู่อีกเหรอเนี่ยซูมานอินปลายตามองยุคไหนๆก็มีสายลับทั้งนั้นแหละแล้วพวกพี่มาที่กองทัพมีธุระอะไรกัน ไม่มีอะไรหรอกแค่มาตามหาสามีที่ตายแล้วฟื้นของนนชนะฉินเสี่ยวเย่าตอบด้วยน้ำเสียงจริงจั ง, จงทำเอาเกาเติรงงงเป็นไก่ตาแตกหือทุกคนเดินตามเกาเติรงเข้าไปในกองทัพพร้อมกับเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้เขาฟังไม่จริงแน่โจวไวตรงคนนี้ใจกล้าเกินไปแล้วเขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็เติรงเปี่ยมไปได้วยความยุติธรรมส่วนโจวไวหมิม่นที่อยู่ข้างๆยิ่งฟังสีหน้าก็ยิ่งดูแย่ลงหลังจากเกาเติรงรายงานตัวเสร็จเขาก็พาทุกคนตรงไปยังกองพันธุ์ที่โจวไวตรงสังกัดอยู่ทันที การหาคนในกองทัพไม่ใช่เรื่องยากและเกาเติ่งยังพบว่าโจไวตรงคนนี้ได้เป็นถึงผู้บังคับกองร้อยแล้วช่างประโจบเหมาะเสียจริงที่เขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในกองพันธุ์ของตนเองพอดีเขาแจ้งเรื่องให้ผู้บังคับกองพันธ์ต้วนเจิงอีซาบทันทีต้วนเจิงอีมีสีหน้าไม่อยากจะเชื่อไม่มั่งเขาเป็นถึงเกาเติ่งทำหน้าสงสัยผู้พันต้วนที่นี่คือกองทัพต่อให้เขาจะเป็นอรสวรรค์มาจากไหนก็จะฝ่าฝืนวิ น, นัยหรือทำผิด ก, กฎหมายไม่ได้ วินาทีก่อนเขายังพูดจาเปี่ยมคุณธรรมแต่วินาทีต่อมาบอกมาเถอะเขาเป็นลูกเขยของใครเขาเป็นลูกเขยของผู้บังคับการกรมตูกูชิ่งกัวเมื่อได้ยินชื่อนี้ก็เติงถึงกับหันไปมองเกาฉางเหอผู้เป็นพี่ชายไม่ใช่หลอกมั่งคู่แค้นทางแคบจริงๆก็ติองอุทานอย่างอดไม่ได้ตอนนั้นตูกูหลุกหวีใส่ร้ายพี่ชายข้าตอนนี้ยังจะมาแย่งสามีของเพื่อนข้าอีกช่างไม่ต้องมาช่างเลยใครเป็นเพื่อนเจ้ากันชินเสี่ยวเย่าทำหน้าไม่สบอารมณ์ อย่ามาตู่เอาเองนะเหอชินเสี้ยวเยเวเจ้ายังอยากทวงความยุติธรรมอยู่ไหมไม่นานนักโจวไวตรงก็ถูกพาตัวมาทันทีที่เขาเดินเข้ามาในห้องและเห็นคนที่คุ้นเคยเขาก็รีบผันหลังเตรียมจะวิ่งหนีทันทีโชคดีที่เกาชังเหอยือนคุมเชิงอยู่ที่ประตูอยู่ก่อนแล้วจึงสกัดทางถอยของเขาไว้ได้ทันควันโจวไวหมิน่นพุ่งเข้าไปคว้าคอเสื้อของโจวไวตรงไว้แน่นโจวไวตงแกยังมีมโนธรรมอยู่ไหมพ่อตายแกยังไม่กลับมา แกคิดอะไรอยู่กันแน่ที่รองพี่กําลังทําลายข้าพี่กําลังทําลายข้ารู้ตัวไหมทําลายแกงั้นเหรอสมควรแล้วโจวเวยหมินชกหน้าโจวเวยตรงไปหนึ่งหมัดแกทําลายชีวิตของเสี่ยวเยเว่ไปทั้งชีวิตทําไมแกไม่พูดบ้างฉินเสี่ยวย่าวก้าเข้าไปข้างหน้ามองดูโจวเวยตรงที่มีเลือด ก, กบปากนางพบว่าหน้าตาของเขาไม่เลวเลยจริงๆและภาพตรงหน้าก็ซ้อนทับกับความทรงจําอันเลวร้างนั่นได้พอดี ดูเหมือนว่าเจ้าของร่างเดิมจะมีความรู้สึกให้โจ้ไวตรงจริงๆดังนั้นไวตรงในเมื่อท่านไม่รักข้าแล้วท่านจะแต่งงานกับข้าทําไมน้ําตาของชินเสียวเยเวร่ร่วงเพาะท่านคนใจดําท่านทําให้ข้าต้องเสียเวลาช่วงวัยสาวไปถึงสองปีข้าทําเจ้าเสียเวลาโจ้ไวตรงทําหน้าไม่พอใจพ่อแม่ของเจ้าเอาเงินจากข้าไปทุกเดือนข้าเคยพูดอะไรไหมพวกเขาเอาเงินไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียวเยเว่ซูมานอินกล่าวเสียงเย็น แกเป็นทหารแต่กลับกล้าทำผิดฐานจดทะเบียนสมรสซ้อนแกหารู้ไม่ว่าเพียงข้อหานี้ข้อเดียวแกก็ต้องถอดเครื่องแบบทหารนี่ออกโจวไวตรงจ้องมองซูม่านอิงด้วยสายตาดูแคลนเจ้าเป็นใครถึงกล้ามาชี้นิ้วสั่งฆ่าที่นี่ข้าคือแม่ของเจ้าซูมานอินประกาศเสียงดังคนเป็นแม่สั่งสอนลูกมีปัญหาอะไรไหมโจวไวตรงถึงกับอึ้งไปที่รองนางนางพูดไม่ผิด นางคือแม่เลี้ยงที่พ่อแต่งงานด้วยก็คือแม่ของแกนางสั่งสอนแกแกก็ควรจะรับฟังไว้พวกเจ้าต้องการอะไรโจ ว, ว้ยตรงถามเสียงเย็นต้องการเงินเพิ่มหรือจะให้ขอโทษไม่ต้องรีบร้อนหรอกคนยังมาไม่ครบเลยเกาเติ่งยิ้มอยู่ข้างๆเจ้าจไม่สนหน่อยหรือว่าพ่อตาผู้สูงส่งกับภรรยาคนสวยของเจ้ามาเห็นแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงโจ ว, ว้ยตรงชะนักไปพวกเจ้าก็จะต้อนค่าให้จนมุมเลยสินะลูกเ อ, อ๋ยเรื่องมันปิดไม่มิดปลอก ซูมานอินกล่าวอย่างมีเมตตาเราให้ดงของเจ้ามาถึงข้าจะอธิบายต้นสายปลายเหตุให้ชัดเจนเองส่วนจะจัดการยังไงข้าเชื่อว่าทางเขตทหารจะให้คําตอบที่น่าพอใจแน่นอนโจวไวตรงรู้สึกหน้ามืดตาลายก่อนจะล้มฟุบลงกับพื้นทันทีเฮ้คนที่ควรจะหน้ามืดน่าควรเป็นฉันมากกว่าไหมชินเสี่ยวเย่าทําหน้าไม่สบอารมณ์นางหันไปมองกอเติงแล้วพูดอย่างชุนเฉียวดูทหารในสังกัดของเจ้าสิช่างเซ้แ้งเก่งเหลือเกินฮื้อือไม่ต้องห่วงอีกเดียวเขาก็จะไม่ใช่ทหารแล้ว ตัวเงิงองเงียบมาตลอดเพียงแค่ฟังบทสนทนาของคนเหล่านี้เขาก็รู้แล้วว่าเกาเติงไม่ใช่คนที่จะต่อแยัด้วยได้ง่ายๆในที่สุดตูกูชิงกัวและตูกูหลุกหวีสองพ่อลูกก็มาถึงทว่าทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องคำแรกที่หลุดออกมากลับเป็นการคาดคันใครมาสร้างความวุ่นวายที่นี่ซูมานอินยิ้มละไม่ก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างช้าช้าแล้วคว้ามือของตูกูหลุกหวีไว้เจ้าคือหญิงสาวที่ไวตรงยอมจดทะเบียนสมรสซ้อนเพื่อจะแต่งงานด้วยอย่างนั้นหรือเจ้าเป็นใคร ซูกู้รุกวีชักมือกลับอย่างระแวดระวังอย่ามาพูดจาเพ้อเจ้อเขาจะจดทะเบียนสมรสซ้อนได้ยังไงข้าไม่ได้โกหกหรอกเพราะว่าซูมานอิงยิ้มอย่างสงบข้าคือแม่ของเขา